127. ปัจจุบันแท้ๆก็ยังมีมิจฉาทิฐิได้อยู่อีกนะเม้สิทธิบารุธรรมมีแต่พวกที่มีทิฐิอยู่ในปัจจุบัน5คือผู้ลืมตาปฏิบัติก็เถอะก็ยังจะต้องรู้จักรู้แจ้งความจริงเป็นสมมุติสัจจะร่วมกันและปฏิบัติมีผัสสะยตนหกอยู่ในชีวิต กามาวจรที่จะมีสิทธิปฏิบัติไปถึงนิพพานได้ถึงกระนั้นพวกอยู่กับปัจจุบันห้านี้ก็ยังมิฉายทิฐิได้อยู่อีกนะว่าผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงสักกายตัวที่เป็นกามาติหาหรือไม่ หากยังไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงสักกายก็ยังไม่พ้นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งหรือยังเห็นกายในกายยังไม่ได้ก็ยังมิฉาทิฐิอยู่แต่ถ้ารู้จักรู้แจ้งรู้จริงกายในกายที่เป็นสักกายกายของตนและมีธรรมวิจัยสมโพโจง แยกกายแยกกิจออกเห็นกายในกายองค์ประชุมของรูปกับนามเข้าไปมีสัมผัสสัชชาเวทนาปฏิฆะสัมผัสโสเห็นอาการของเวทนาในเวทนาองค์ประชุมของรูปกับนามเมื่อวิจัยรูปและนามแยกเวทนาแยกกิจต่อไปอีก จนกระทั่งสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะอกุศลกิจคือตัวตนอัตตาของกามตัญหาแล้วจึงลงมือปฏิบัติกรรมจัดตัวสมุทัยตัวนี้ด้วยวิธีที่ตนมีคือสมาธวิธีกับวิปัสนาวิธีจนสามารถประหารกิเลสมีผล ซึ่งเห็นปัจสติรูปเห็นนามตามพระอนุสาสนีเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นทีเดียวชาณะโตปตัจสโตวิหรติอย่างนี้เองคือผู้สามารถผ่านทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิและประหารประหารติจนเกิดประหารหบรรลุพลธรรมไปตามลำดับ จึงจะเป็นผู้ปฏิบัติที่พร้อมการสัมผัสวิโมกข์แดด้วยกายไม่เช่นนั้นไม่สามารถดับอาสวะสิ้นหมดได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสดังนั้นหากความเป็นกายก็ยังมิฉชาทิทฐิอยู่การปฏิบัติกับกา ย, ยะข้าตาสติก็ดีปฏิบัติกับกายสังขารก็ดี ปฏิบัติกับกายในกายกระทั่งถึงต้องสัมผัสวิโมก8ดด้วยกายก็ดีหรือกับความเป็นกายในภาวะอื่นอื่นอีกทางรูปกายกับนามกายก็ผิดไปหมด